คำชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาสูตรของเวลางมีเรื่องที่จะต้องทราบกันเสีย ก, ก่อนในเบื้องตนอยู่สองข้อข้อแรกเรื่องเวลางนี้จะไม่เป็นที่เข้าใจได้สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่เคยศึกษาทางพุทธศาสนามาก่อนเลยมันไม่ใช่นังสือเล่มแรกสำหรับผู้รเริ่มการศึกษาพุทธศาสนาอย่างน้อยที่สุดผู้ที่จะอ่านและฟังนังสือเล่มนี้ แม้จะไม่เคยอ่านหรือฟังหนังสือของฝ่ายมหายานมาบ้างแล้วก็ควรจะได้ศึกษาหลักแห่งพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทมาบ้างพอสมควรจนถึงกับจับใจความได้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าพุทธศาสนาที่ตนศึกษาแล้วนั้นมีหลักอย่างไรหรือวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้โดยเฉพาะและอีกทางหนึ่งสาหรับผู้ที่เคยศึกษาแต่ฝ่ายเถรวาทมาอย่างเคร่งครัด และยังแถมยึดถือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งไว้อย่างเหนียวแน่นนั้นอาจจะมองเห็นไปว่าหนังสือเล่ม น, นี้เป็นหนังสือที่ผิดหลักพระพุทธศาสนาเป็นวิจชาทิฏฐิหรือเป็นสิ่งที่น่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งไปก็ได้ทั้งนี้เพราะเหตุที่หลักคิดและแนวปฏิบัติเดินกันคนละแนวเหมือนการเดินของคนที่เดินตามทางใหญ่ที่อ้อมค้อมกับคนที่เดินทางลัด หรือถึงกับดำดินไปผุดขึ้นในที่ที่ตนต้องการจะให้ไปถึงเสียเลยฉันใดก็ฉันนั้นข้อที่ 2. ผู้ที่อ่านหรือฟังหนังสือเล่ม น, นี้ด้วยความสนใจควรทราบไว้เสียก่อนว่าหลักนิกายเซนและโดยเฉพาะของพระสังฆปรินายกชื่อเวไห่ลังนี้นอกจากจะเป็นวิธีการที่ลัดสั้นแล้วยังเป็นวิธีปฏิบัติ ที่อิงหลักธรรมชาติทางจิตใจของคนทั่วไปแม้ที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่เข้าใจพิธีรีตองต่างๆจึงเป็นเหตุให้ลัทธินี้ถูกขนานนามว่าลัทธิพุทธศาสนาที่อยู่นอกพระไตรปิฎกหรืออะไรอื่นทํานองนี้อีกมากมายที่จริงผู้ที่จะฟังซีดีหรืออ่านหนังสือนี้ ควรจะได้รับการชักชวนให้ลืมอะไรต่างๆที่เคยยึดถือไว้แต่ก่อนให้หมดสิ้นเสียก่อนจึงจะเป็นการง่ายในการอ่านฟังและเข้าใจโดยเฉพาะก็คือให้ลืมพระไตรปิฎกลืมระเบียบพิธีต่างๆทางศาสนาลืมความคิดดิงๆด้านเดียวที่ตนเคยยึดถือกระทั่งลืมความเป็นพุทธบริษัทของตนเสีย คงเอาไว้แต่ใจลว้วนนของมนุษย์ซึ่งไม่จำกัดว่าชาติใดภาษาใดหรือถือาศาสนาไหนเป็นใจซึ่งกำลังทำการคิดเพื่อแก้ปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจิตของมนุษย์ทุกคนในลักษณะที่เป็นสากล น, นี้จกหลุดพ้นจากความบีบคั้นหุ่มห่อพัวพันได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นการทาเช่นนี้ จักเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่ผู้อา่านในการที่จะได้ทราบอย่างชัดแจ้งถึงความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนาในขอบเขตของคัมภีร์กับพุทธศาสนาซึ่งอยู่เหนือคัมภีร์พุทธศาสนาที่อิงอยู่กับพิธีรีตองต่างๆกับพุทธศาสนาที่เป็นอิสระตามธรรมชาติและเดินตามหลักธรรมชาติพุทธศาสนาที่ให้เชื่อก่อนทำ กับพุทธศาสนาที่ให้ลองทำก่อนเชื่อพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นวรรณคดีกับพุทธศาสนาประยุกต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพุทธศาสนาที่ใช้ได้แต่กับคนบางคนกับพุทธศาสนาที่อาจใช้ให้สำเร็จประโยชน์ได้แก่บุคคลทุกคนแม้ที่ไม่รู้หนังสือ ขอเพียงแต่ให้มีสติปัญญาตามปกติสามัญมนุษย์เท่านั้นผู้ที่ได้ทราบเช่นนี้แล้วจะได้รับพุทธศาสนาชนิดที่ปฏิบัติได้จริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาปฏิบัติอย่างเหลือเฟือและลัดดิ่งไปสู่สิ่งที่จะให้เกิดความอิ่มความพอได้โดยเร็วหากไม่ฉะนั้นแล้วเขาก็จะเป็นตัวหนอนที่มัวแต่กัดแทะหนังสือ หรือเป็นนักกอ่อการทะเลาะวิวาดตามทางปรัชญาไปตามเดิมแต่อย่างเดียวครูอ่านจะสังเกตเห็นได้เองเมื่ออ่านในตอนแรกๆหรือฟังในตอนแรกๆว่าหนังสือหรือซีดีเรื่องนี้ไม่ใช่ที่บรรจุไว้โดยข้อความง่ายๆหรืออา่านหรือฟังเข้าใจได้ง่ายๆเพราะเหตุว่าเรื่องการทำใจให้หลุดพ้นจากทุกข์จริงๆนั้นไม่ใช่ขอ ง, ง่ายเลย แต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอย่างยิ่งว่าถ้าอ่านไปจนเข้าใจแล้วหรือฟังจนเข้าใจแล้วจะพบว่าทั้งที่มันเข้าใจยากมากก็ยังอาจเป็นที่เข้าใจได้แม้แต่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกมาก่อนอยู่นั่นเองและทั้งไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากสิ่งที่มนุษย์ควรรู้และอาจรู้ได้โดยไม่เหลือวิสัย ข้อความทุกข้อชี้บทเรียนไปที่ตัวชีวิตนั่นเองและได้ถือเอาความพลิกแปลงแห่งกลไกลในตัวชีวิตโดยเฉพาะคือจิตซึ่งเป็นโจทย์เลขหรือปัญหาที่ต้องตีให้แตกกระจายไปและจบสิ้นกันเพียงเท่านั้นคือเท่าที่จำเป็นจริงๆไม่มีปัญญาเหลือเฟือชนิดตีปัญหาโลกแตกที่ชอบถกเถียงกันในหมู่บุคคลหมด ที่อ้างตัวว่าเป็นพุทธบริษัทอันเคร่งครัดเท่านั้นเลยอย่างไรก็ตามซีดีเรื่องนี้มิได้เป็นซีดีในลักษณะตำราธรรมะโดยตรงเป็นแต่เพียงบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เป็นประวัติและคำสอนของเจ้าลัทธิท่านหนึ่งเท่านั้นเพราะไม่อาจจับเอาหลักธรรมะต่างๆที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจนสะดวกแก่การศึกษาไว้ก่อนแล้วโดยง่ายเลย ผู้ศึกษาจะต้องเลือกเก็บใจความที่เป็นหลักธรรมต่างๆเอาจากเรื่องราวที่เป็นประวัติหรือบันทึกเหตุการเหล่านั้นจากข้อความที่เข้าใจได้ยากๆนั่นแหละผู้ศึกษาจะต้องทำการขุดเพชรในหินด้วยตนเองซีดีเรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องของฝ่ายมหายานก็จริงแต่หาใช่มหายานชนิดที่ชาวไทยเราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟัง หรือเข้าใจกันอยู่โดยมากใหม่มหายาณที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นปกตินั้นก็เป็นชนิดที่เกี่ยวเนื่องติดแน่นกันอยู่กับพระไตรปิฎกและพิธีรีตองต่างๆและไหลเลือนไปในทางเป็นของขลังและของศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันส่วนใจความของหนังสือหรือซีดีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นคงเป็นไปแต่ในทางปฏิบัติทำทางใจ โดยอาศัยปัญญาเป็นใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าวิปัสนาทุระล้วนๆและทั้งเป็นแบบหนึ่งของตนเองซึ่งไม่ซ้ำใครเพราะมุ่งหมายจะให้เป็นวิธีลัดสั้นที่สุดดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยตั้งข้อรังเกียจ ต, ต่อฝ่ายมหายานและมีความยึดมั่นมากจนถึงกับพอเอ่ยชื่อว่ามหายานแล้ว ก็สายหน้าดูถูกเหยียดหยามไม่อยากฟังเอาเสียทีเดียวนั้นควรทำในใจเสียใหม่ในการที่จะฟังหรืออ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะทำให้ท่านเกิดความรู้สึกอันตรงกันข้ามจากที่แล้วแล้วมาและเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาแทนว่าการตั้งข้อรำเกียรติเดิมๆของตนนั้นมันมากและโง่เกินไปเมื่อกล่าวด้วยหลักกว่างๆแล้ว ลัที่ของห้อยหลางนี้เป็นวิธีลัดที่พุ่งแรงมดหนึ่งอย่างน่าพิสวงถ้าจะชี้ให้เห็นกันง่ายๆว่าลัดที่นี้มีหลักหรือวิธีการอย่างไรแล้วก็ต้องชี้ไปในทางที่จะวางหลักสั้นๆว่าก็เมื่อปุถุชนคนธรรมดาสามัญทั่วไปย่อมเป็นผู้ที่กําลังมีความเห็นหรือความเข้าใจที่ผิดจากความจริงเป็นปกติอยู่แล้ว สิ่งที่ตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาสามัญคิดเห็นหรือเข้าใจนั่นแหละเป็นความเห็นที่ถูกเพราะฉะนั้นเว่ยหลางจึงได้วางหลักให้คิดชนิดที่เรียกว่ากลับหน้าเป็นหลังเอาทีเดียวตัวอย่างเช่นเมื่อผู้อื่นกล่าวว่าจงพยายามชำระใจให้สะอาดเถิดเวยหลางกลับกล่าวซสว่าใจของคนทุกคนสะอาดอยู่แล้วจะไปชำระมันทาไมอีก สิ่งที่ไม่สะอาดนั้นไม่ใช่ใจจะไปยุ่งกับมันทำไมหรือถ้าจะกล่าวให้ถูกยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กล่าวว่าเวลางถือว่าใจมันไม่มีตัวไม่มีตนนนแล้วจะไปชำระอะไรให้แก่ใครการที่จะไปเห็นว่าใจเป็นใจและไม่สะอาดนั้นเป็นอวิชชาของผู้นั้นเองต่างหากดังนี้เป็นต้น ข้ออ่านหรือปริศนาธรรมที่ลัทธินี้วางไว้ให้คบคิดก็ล้วนแต่ทำให้คนสามัญทั่วไปงงงวยเพราะแต่ละข้อมีหลักให้คิดเพื่อให้เห็นสิ่งตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาคิดกันอยู่หรือเห็นเห็นกันอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ากามีสีดำนกยางก็ต้องมีสีดำด้วยหรือถ้าเห็นว่านกยางมีสีขาวกาก็ต้องขาวด้วย และถ้าให้ถูกยิ่งไปกว่านั้นก็คือนกยางนั่นแหละสีดำกา่นั่นแหละสีขาวสังสารวัตกับนิพพานเป็นของสิ่งเดียวกันที่ที่เย็นที่สุดนั้นคือที่ท่ามกลางกองเพลิงแห่งเตาหลอมเหล็กดังนี้เป็นตน้นถ้าใครมองเห็นความจริงตามแบบของเวหลังเหล่านี้แล้วก็ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่า เขาได้เห็นสิ่งต่างๆจนลึกถึงขั้นที่มันตรงกันข้ามจากที่คนสามัญทั่วไปเขามองเห็นกันอยู่เป็นปกติฉะนั้นสำหรับการสรุปใจความของลัทธินี้อย่างสั้นๆที่สุดก็สรุปได้ว่าพยายามคิดจนเห็นตรงกันข้ามจากความคิดของคนที่ยังมีอวิชชาหุ้มห่อแล้วก็เป็นอันนับได้ว่าได้เข้าถึงความจริงถึงที่สุด และวิธีการแห่งลัทธินี้ได้วางรูปปริศนาให้คิดชนิดที่ผิดตรงกันข้ามไปเสียตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวใครคิดออกก็แปลว่าคนนั้นผ่านไปได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นวิธีที่จะทำให้ผ่านไปได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองคิดให้ตรงข้ามจากสามัญสัตว์ทั่วไปเถิดก็จะเข้าถึงความคิดของพระอริยเจ้าขึ้นมาเองฉะนั้น นิกายนี้จึงเรียกตัวเองว่านิกายฉับพลันซึ่งหมายความว่าจะทำผู้ปฏิบัติตามวิธีลัดนี้ให้บรรลุทำได้อย่างฉับพลันโดยไม่มีพิธีรีตองส่วนปาทกถาอีกสามเรื่องของนายแพทย์ตันมอเสียงซึ่งพิมพ์ไว้ต่อท้ายเรื่องสูตรของเวลางนั้นเล่าก็เป็นข้อความที่จะให้ผู้อ่านหรือผู้ฟัง ได้เข้าใจในวิธีการปฏิบัติของนิกายฉับพลันได้เป็นอย่างดีจากข้อความทั้งหมดนั้นผู้ศึกษาจะได้ความรู้ที่แน่นอนข้อมนว่าวิธีการที่ฉับพลันนั้นย่อมขึ้นอยู่แก่ความช่วยเหลือของอาจารย์หรือผู้ควบคุมที่สามารถจริงๆเป็นส่วนใหญ่เพราะตามธรรมดาแล้วการเขี่ยให้ถูกจุดนั่นแหละ เป็นความสำเร็จที่ฉับพลันเหนือความสำเร็จทั้งปวงถ้ามีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องให้ตัวเองเป็นอาจารย์ตัวเองแล้วขอจงได้พยายามศึกษาและจับใจความสำคัญแห่งข้อความนั้นๆให้ได้จริงๆ จ, จงทุกทุกคนเถิดธรรมะนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของคนเราคนเราทุกทุกคน เพราะจำนวไปยกขึ้นให้สูงเป็นเรื่องคำพีรหรือของศักดิ์สิทธิ์ไปเสียท่าเดียวก็เลยกลายเป็นเรื่องพ้นวิสัยของคนไปเวลางี้ความมุ่งหมายให้ธรรมะนั้นกลับมาเป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญแม้ที่ไม่รู้หนังสือเพื่อประโยชน์แก่คนตามความหมายของคำว่ามหายานหวังว่าผู้ที่คิดกลุนอยู่ในใจเสมอว่าตนเป็นคนฉลาด พอรู้หนังสือดีนั้นจัดได้ทำตนให้เป็นบุคคลที่ไม่เสียเปรียบผู้ที่ไม่รู้หนังสือได้คนหนึ่งเป็นแน่พุทธทาสอินทปัญโยโมคขพรารามชัยยาส1มอดมีนาคม2496ธรรมสภา เสนอสูตรเวลารโดยพุทธธาตุพิคุตามที่พุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งมีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือเรื่องสูตรของเวลาร อาตมามีความยินดีในการอนุญาตและรู้สึกอนุโมทนาในการกระทำด้วยเป็นอย่างสูงหนังสือเรื่องเวล่างนี้เป็นหนังสือสําหรับปัญญาชนโดยแท้ผู้ที่ยึดมั่นในความรู้เดิมของตนอย่างเหนียวแน่นไม่ชอบคิดเอาแต่จะฟังง่ายๆท่องจําง่ายๆย่ยอมไม่เหมาะที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยก็ว่าได้ อีกอย่างหนึง่งผู้อ่านจะต้องมีใจกว้างกล่าวคือถ้าได้ฟังคำที่ผิดจากความเชื่อเดิมๆของตนก็อย่าพิ่งค้านอย่าเพิ่งโยนทิ้งแต่ต้องทำใจเป็นคนใหม่อ่านของใหม่ฟังของใหม่ด้วยจิตใจใหม่สติปัญญาใหม่และพยายามค้นให้พบหรือเข้าใจให้จนได้ว่าเขาหมายความว่าอย่างไรส่วนที่จะวินิจฉัยว่าถูกหรือผิดนั้น ไว้ค่อยวินิจฉัยกันทีหลังในเมื่อได้อ่านและศึกษาไปหลายเที่ยวแล้วถูกอย่างของเราอาจจะไม่ถูกอย่างของเวลางแต่ทั้งสองอย่างนั้นอาจจะถูกอย่างของพระพุทธเจ้าด้วยกันก็ได้ทั้งนี้เป็นเพราะวิธีพูดหรือชี้แจงในแง่ของธรรมะนั้นต่างกันพวกหนึ่งอาจใช้วิธีจูงใจคนที่ไม่รู้ให้เดินตามมาข้างหลัง แต่อีกพวกหนึ่งอาจใช้วิธีต้อนคนที่ไม่รู้ให้ออกไปข้างหน้าก็ได้เราจะชอบวิธีไหนเลือกดูให้เหมาะเองคือจะให้เขาจูงจมูกดีหรือว่าเราเพียงแต่เดินไปข้างหน้าในความดูแลหรือบอกใบของเขาเพียงเล็กน้อยดีถ้าชอบอย่างหลังหนังสือวิลาจะมีประโยชน์มากที่สุดแก่ท่าน พุทธศาสนาไม่มีอย่างจีนอย่างไทยหรืออย่างแขกฝรัง่งเป็นต้นเลยมีแต่พุทธศาสนาอย่างของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีวิธีพูดหรือวิธีบอกหรือวิธีนำให้เข้าถึงนั้นต่างกันมากทีเดียวคือต่างกันตามยุคตามสมัยและตามถิน่นพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนฉลาดอยู่แล้วก็จริง แต่ครั้นเข้าไปในประเทศจีนสมัยซึ่งคลุ้งไปด้วยกลิ่นไอแห่งสติปัญญาของเหล่าจือ้อของจือ้ออยู่อย่างเต็มที่แล้วจะไปพูดโดยถ้อยคําอย่างเดียวกันหรือวิธีเดียวกันกับที่จะพูดให้แก่คนที่รู้จักแต่เพียงเลี้ยงวัวแล้วรีดนมวัวไปวันนึงวันหนึ่งได้อย่างไรเล่าฉะนั้นถ้ามันมีอะไรผิดกันมากขนาดรู้สึกวันหน้ามือเป็นหลังมือก็าตาม มันก็ยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่นั่นเองจงมองดูให้ดีๆในข้อนี้เถิดจะพบเพชรพลอยที่เวลางโปรยไว้ให้อย่างมากมายโดยไม่ต้องสงสัยเลยขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างสูงแ ก, ก่ทุกๆท่านที่มีความกล้าหาญพอที่จะกินและย่อยถ้อยคําที่กล่าวตามแบบของเวลายงหรือ่วงโปซึ่งเมื่อทำได้แล้ว จะหล่อเลี้ยงนามากายให้เจริญเติบโตพรึบเดียวเท่าทองฟ้าหรือมหาสมุทรเป็นอย่างน้อยทีเดียวพุทธทาสอินทปัญโยสวนโมคขพลารามอำเภอชั ย, ยาวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2530หมหมวดที่หนึ่ง ว่าด้วยชีวประวัติที่ท่านเล่าเองครั้งหนึ่งเมื่อพระสังฆปรินายกองค์นี้ได้มาที่วัดเปาลำข้าหลวงวหว้แห่งเมืองชิวเจากับข้าราชการอีกหลายคนได้พากันไปที่วัดนั้นเพื่อขอให้ท่านกล่าวธรรมมถาแก่ประชาชนทั่วไปณห้องโถงแห่งวิหารไทยพันในนครกวางตุ้ง ในไม่ชา้ามีผู้มาประชุมฟังนรงธรร ม, มัสภานั้นคือข้าหลวงไหวแห่งชิวเจาพวกข้าราชการและนักศึกษาฝ่ายของจืออย่างรับประมาณส0สคนภิกษุภิกษุณีนักปรดแห่งลัที่เตา๋าและขรรคหัดทั่วไปรวมเบ็ดเสร็จประมาณ 1,000 คนครั้นพระสังฆปรินายกได้ขึ้นนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้วที่ประชุมได้ทาการเคารพ และอาราธนาขอให้ท่านแสดงธรรมว่าโดยหลักสำคัญแห่งพุทธศาสนาในอันดับนั้นท่านสาธุคุณองค์นั้นได้เริ่มแสดงมีข้อความดังต่อไปนี้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายจิตเดิมแท้ของเราซึ่งเป็นมเมล็ดพืชหรือแก่นของการตัสรูนั้นเป็นของบริสุทธ์ตามธรรมชาติ และต้องอาศัยจิตเดิมแท้นี้เท่านั้นมนุษย์เราจึงจะเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะได้โดยตรงๆงอาตมาจะเล่าให้ฟังถึงประวัติของอาตมาเองบางตอนและเล่าถึงข้อที่ว่าอาตมาได้รับคำสอนอันร้นลับแห่งนิกายทยานะหรือคืนนิกายเซนมาด้วยอาการอย่างไร บิดาของอาตามาเป็นชาเมืองฟันหยางถูกถอดตำแหน่งราชการถูกเนรเทศไปอยู่อย่างราษฎรสามัญที่สุนเจาในมณฑลกวางตุง้งอาตามาโชคร้ายโดยที่บิดาได้ถึงแก่กรรมเสียแต่ในขณะที่อาตามายัางเล็กเลือเกินและละทิ้งมารดาไว้ในสภาพที่ยากจนทนทุกข์เราสองคนจึงย้ายไปอยู่ทางกวางโจ และอยู่ที่นั่นด้วยความทุกข์ยากเรื่อยมาวันหนึ่งอาตมากำลังนําฟืนไปขายอยู่ที่ตลาดเพราะเจ้าจำนำคนหนึ่งเขาสั่งให้นํำไปขายให้เขาถึงร้านเมื่อส่งของและรับเงินเสร็จแล้วอาตมาก็ออกจากร้านได้พบชายคนหนึ่งกำลังบริกรรมสูตรสูตรหนึ่งอยู่แถวหน้าร้านนั่นเอง พอได้ยินข้อความแห่งสูตรนั้นเท่านั้นใจของอาตมาก็ลุกโผลงสว่างสวัยในพุทธธรรมอาตมาจึงถามชื่อคำภีร์ที่เขากําลังสวดอยู่ก็ได้ความจากชายคนนั้นเองว่าสูตรนั้นชื่อวัชระสูตรวัชรชัยที่กสูตรหรือสูตรอันกล่าวด้วยเพชรสาหรับตัดอาตมาจึงไล่เลียงต่อไปว่าเขามาจากไหน ทำไมเขาจึงจำเพาะมาท่องบนแต่สูตรนี้ชายคนนั้นตอบว่าเขามาจากวัดตุงสัน่นตำบลวังมุยเมืองขีเจาเจ้าอาวาสในขณะนี้มีนามว่าหวังยัน่นหรือห่งยิม้มเป็นพระสังฆปริณายกแห่งนิกายเซนองค์ที่ห้ามีสิทธิ์รับการสั่งสอนอยู่ประมาณพันคนเมื่อเขาไปไหว้พระสังฆปริณายกที่วัดนั้น เขาได้ฟังเทศหลายครั้งเกี่ยวกับสูตรสูตรนี้เขาเล่าต่อไปว่าท่านสาธุคุณองค์นั้นเคยลบเลาทั้งครือหัดและบรรพชิตยอยู่เสมอให้พากันบริกรรมสูตรสูตรนี้เผื่อว่าเมื่อเขาพากันบริกรรมอยู่เขาจะสามารถเห็นจิตเดิมแท้ของตนเองและจะเข้าถึงความเป็นพุทธะได้โดยตรงๆงเพราะเหตุนั้น คงเป็นด้วยกุศลที่อาตมาได้ทาไว้แต่ชาติก่อนๆจึงเป็นเหตุให้อาตมาได้ทราบเรื่องราวเหล่านี้และอาตมายังได้รับเงินอีกสิบตำลึงจากชายผู้อารีคนหนึ่งให้มาเพื่อมอบให้มารดาไว้ใช้สอยในระหว่างที่อาตมาไม่อยู่ทั้งเขาเองเป็นผู้แนะนำให้อาตมารีบไปยังตำบลวังมุยเพื่อพบพระสังฆปรินายกองนั้น เมื่อได้จัดแจงให้มีคนช่วยดูแลมารดาเสร็จแล้วอาตมาก็ได้ออกเดินทางไปยังวองมุยและถึงที่นั้นได้ในชั่วเวลาไม่ถึงสามสิบวันครั้นถึงตำบลวองมุยแล้วอาตมาได้ไปนมัสการพระสังฆปรินายกท่านถามว่ามาจากไหนและต้องประสงค์อะไรอาตมาได้ตอบว่ากระผมเป็นคนพื้นเมืองสุนโจาแห่งมณฑลกวางตุ้ง เดินทางมาแสนไกลเพื่อทำสการะเคารพแด่คุณพ่อและกระผมไม่ต้องการอะไรนอกจากธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธะอย่างเดียวเท่านั้นท่านถามอาตมาว่าเป็นชาวควางตุ้งหรือเป็นคนป่าคนเยงแล้วเธอจะหวังเป็นพุท ธ, ธะได้อย่างไรกันอาตมาเรียนตอบท่านว่า แม้ว่าจะมีคนชาวเหนือและคนชาวใต้กจริงแต่ทิศเหนือหรือทิศใต้นั้นหาได้ทำให้ความเป็นพุท ธ, ธะซึ่งมีอยู่ในคนขนนั้นแตกต่างกันได้ไหมคนป่าคนเย ง, งจะแตกต่างจากคุณพ่อก็แต่ในทางร่างกายเท่านั้นแต่ไม่มีความผิดแปลกแตกต่างกันในส่วนธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธะของเราทั้งหลายพระสังคาปรินายก ทาท่าจะกล่าวกับอาตามาต่อไปอีกแต่เผอิญมีสิทธิของท่านเข้ามาหลายคนท่านจึงหยุดชะนักและเลยสั่งให้อาตามาไปสมทบทํางานกับคนงานหมู่หนึ่งอาตามากล่าวขึ้นว่ากระผมขอกราบเรียนคุณพ่อว่าวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นในใจของกระผมเสมอๆ เ, เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้มีจิตเลื่อนลอยไปจากจิตเดิมแท้ของตนแล้ว พ่อคนจะเรียกเขาผู้นั้นว่าผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเหมือนกันกระผมจึงไม่ทราบว่างานอะไรที่คุณพ่อจะให้กระผมทำพระสังฆบรินายกได้มีบัญชาว่าเจ้าคนป่านี้ฉเฉลียวฉลาดเกินตัวไปเสียแล้วจงไปที่โรงนั่นแล้วอย่าพูดอะไรอีกเลยอาตมาจึงถอยหลีไปทางลานข้างหลังะ มีคนวัดที่ไม่ใช่บรรพชิตคนหนึ่งมาบอกให้ผ่าฟืนและต่ำค่าต่อมาไม่น้อยกว่า8เดือนวันหนึ่งพระสังฆปริญายกได้พบอาตมาและท่านได้กล่าวว่าฉันทราบดีว่าความรู้ในพุทธธรรมของเธอนั้นมั่นคงดีมากแต่ฉันต้องคอยหลีกไม่พูดกับเธอมิฉะนั้นจะมีคนทุศีลบางคนทำอันตรายเธอ เธอเข้าใจไหมอาตามา ต, ตอบว่าขอรับคุณพ่อกระผมเข้าใจเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นกระผมในข้อนี้กระผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆห้องของคุณพ่ออยู่มาวันหนึ่งพระสังฆปรินายกเรียกประชุมบรรดาสิทธิ์ทั้งหมดแล้วประกาศว่าปัญญาแห่งการเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเวลานี้ วันแล้ววันเล่าแทนที่จะพยายามเปลื้องตัวเองออกมาเสียจากทะเลแห่งการเกิดตายอันขืนขมดูเหมือนว่าพวกเธอกลับหมกมุ่นอยู่แต่ในบุญกุศลชนิดที่ถูกตัณหารูปคล้ำเสียแล้วอย่างเดียวเท่านั้นกล่าวคือบุญกุศลที่เป็นเหตุให้เกิดใ ห, ใหม่ถ้าจิตเดิมแท้ของพวกเธอยังมืดมัวอยู่ บุญกุศลทั้งหลายก็ยังจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยจงตั้งหน้าค้นหาปรัช ญ, ญาปัญญาในใจของเธอเองแล้วเขียนสโลกคาถามาให้เราสโลกหนึ่งว่าด้วยเรื่องจิตเดิมแท้ผู้ใดเข้าใจได้ถูกต้องว่าจิตเดิมแท้นั้นเป็นอย่างไรผู้นั้นจะได้รับมอบผ้ากาสาวพัดอันเป็นเครื่องหมายตำแหน่งพระสังฆปริณายก พร้อมทั้งธรรมะอันเป็นคําสอนเว้นลับของนิกายทยานะและฉันจะสถาปนาผู้นั้นเป็นสังฆปรินายกองค์ที่หกแห่งนิกายนี้จงไปโดยเร็วยารีรอในการเขียนสโลกการงัวตึกตรองไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์อะไรผู้ที่รู้แจ้งชัดในจิตเดิมแท้จะพูดได้ทันทีที่มีใครมาชวนพูดดยเรื่องนั้น และมันจะไม่ละไปจากคลองแห่งยานและจกักษสูของเขาแม้ว่าเขาจะกำลังรบพุ่งชุลมุนอยู่กลางสนามรบก็ตามทีเมื่อได้รับคำสั่งดังนั้นสิทธิ์อื่นๆเว้นแต่สินสาวหัวหน้าสิทธิ์พากันถอยออกไปและกล่าวแก่กันและกันว่าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนชั้นโทกเราๆที่จะไปตั้งสมาธิเพ่งจิตเขียนสโลก หวายคุณพ่อเพราะว่าตำแหน่งสังฆปรินายกนั้นใครๆก็เห็นว่าจะไม่พ้นมือท่านสินเศาร์ผู้เป็นหัวหน้าสิทธ์ไปได้เมื่อเราเขียนใช้ไม่ได้มันก็เป็นการลงแรงเสียเ ป, ปล่าเมื่อได้ปรับทุกข์กันดังนี้แล้วสิทธิ์เหล่านั้นทุกคนได้พากันเลิกล้มความตั้งใจในการเขียนแล้วว่าแกกันว่าเราจะไปทาให้มันเหนื่อยทาไม ต่อไปนี้เราคอยติดตามหัวหน้าของเราคือสินเสาเท่านั้นก็พอแล้วไม่ว่าเขาจะไปข้างไหนเราจะตามเขาในฐานะเป็นผู้นําในขณะเดียวกันนั้นสินเสาผู้เป็นเชตตะอันเตวาสิกก็ยังทราบความเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองเขารำํำพึงว่าเมื่อพิจารณาดูถึงข้อที่ว่าเราเป็นครูสั่งสอนเขาอยู่ คงไม่มีใครเข้ามาเป็นคู่แข่งขันในการเขียนสโล ก, กับเราแต่เรายังชะมนอยู่ว่าเราจะเขียนสโลกถวายพระสังฆปริณายกดีหรือไม่ถ้าเราไม่เขียนพระสังฆปริณายกจะทราบได้อย่างไรว่าความรู้ของเราลึกซึ้งหรือผิวเผินเพียงใหนถ้าวัตถุประสงค์ในการเขียนของเราในครั้งนี้ได้แก่ความหวังจะได้รับธรรมะ จากพระสังฆปริณายกก็แปลว่าเจตนาของเราบริสุทธิ์แต่ถ้าเราเขียนเพราะอยากได้ตําแหน่งสังฆปริณายกนั่นแปลว่ามันเป็นความมีเจตนาชั่วในกรณีดังกล่าวจิตของเราก็เป็นจิตที่คล้องอยู่ในโลกและการกระทาของเราก็คือการปล้นยื้อแย่งบัลลังก์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระสังฆปริณายกแต่ถ้าเราจะไม่เขียนสโสดยื่นท่าน เราก็ไม่มีโอกาสจะได้รับทราบธรรมะนั้นมันช่างยากที่จะตัดสินใจเสียจริงๆที่หน้าหอสำนักของพระสังฆปรินายกนั้นมีช่องทางเดินตลอดสามช่องที่ผนังของช่องเหล่านี้โลสุนจิตกรเอกแห่งราชสำนักได้เขียนภาพต่างๆจากลังกาวตารสูตรแสดงถึงการกลับกลายร่างของผู้ที่เข้าประชุม และเขียนภาพอันงแสดงถึงชาติวงศ์ของพระสังฆาปริณายกทั้งหองค์เพื่อเป็นความรู้ของประชาชนและให้ประชาชนได้ทำการสการะบูชาเมื่อสินเซาแต่งโลกเสร็จแล้ว<า>ได้พยายามที่จะส่งต่อพระสังฆาปริญายกตั้งหลายหนแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้จะถึงหอสำนักของพระสังฆาปริณายกทีไรหัวใจเต้นเหงื่อการแตกท่วมตัวทุกที เขาไม่สามารถที่จะแข็งใจเข้าไปส่งได้สําเร็จชั่วเวลาเพียงสี่วันเขาพยายามถึง13ามครั้งในที่สุดเขาก็ตกลงใจว่าเราจะเขียนมันไว้ที่ฝาผนังช่องทางเดินให้พระสังฆปรินายกท่านเห็นเองดีกว่าถ้าถูกใจท่านเราจึงค่อยออกมานวัตสการท่านและเรียนท่านว่าเราเป็นผู้เขียนถ้าท่านเห็นว่ามันผิดใช้ไม่ได้ ก็แปลว่าเราได้เสียเวลาไปหลายปีในการมาอยู่บนภูเขานี้และทำให้ชาวบ้านหลงเคารพกราบไหว้เสียเป็นนานโดยไม่คู่ควรกันเลยและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าเราไม่ได้ก้าวหน้านในการศึกษาพระธรรมเลยแม้แต่น้อยมิใช่หรือครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนในวันนั้นสินเสาถือตะเกียงลอบไปเขียนสลกที่เขาแต่งขึ้นไว้ที่ผนังช่องทางเดินทางทิศใต้ โดยหวังอยู่ว่าพระสังฆปรินายกจะได้เห็นและยังทราบถึงวิปัสนาญาณที่เขาได้บรรลุสโลกนั้นมีว่ากายของเราคือต้นโผลใจของเราคือกระจกเงาอันใสเราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุกๆชั่วโมงและไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับพอเขียนเสร็จ เขาก็รีบกลับไปที่ห้องของเขาทันทีโดยไม่มีใครทราบการกระทำของเขาครันไปถึงแล้วเขาวิตกต่อไปว่าพรุ่งนี้ถ้าพระสังฆปรินายกเห็นสโลกของเราและพอใจก็แปลว่าเราพร้อมที่จะได้รับธรรมะอันลึกซึ้งของท่านแต่ถ้าท่านติว่าใช้ไม่ได้มันก็แปลว่าเรายังไม่สมควรที่จะได้รับธรรมะอันนั้น เนื่องจากความชั่วที่เราทำไว้แต่ชาติก่อนๆมาหุม้มห่อใจเราอย่างหนาแน่นมันเป็นการยากเย็นเลือเกินในการที่จะถ่ายว่าพระสังฆปริณายกจะมีความรู้สึกอย่างไรในโลกอันนั้นเขาได้คิดทบทวนอยู่เช่นนั้ น, น, นจนกระทั่งคืนยันรุ่งนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุข แต่พระสังฆปรินายกได้ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าสินเสาคู่นี้ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปในประตูแห่งการตัดสรุ้และเขายังไม่ซึมทราบในจิตเดิมแท้พระสังฆปรินายกได้กล่าวแก่โลสุนช่างเขียนว่าเสียใจที่ได้รบกวนท่านให้มาจนถึงนี้บัดนี้เห็นว่าผนังเหล่านี้ไม่ต้องเขียนภาพเสียแล้วเพราะสูสตรนั้นได้กล่าวไว้ว่า สรรพสิ่งที่มีรูปหรือมีความปรากฏกิริยาอาการย่อมเป็นอนิจจังและเป็นมายาฉะนั้นควรปล่อยสโลกนั้นไว้บนผนังอย่างนั้นเพื่อให้มหาชนได้ศึกษาและท่องบนและถ้าเขาปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อความที่สอนไว้นั้นเขาก็จะพ้นทุกข์ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอนิสงส์ที่ผู้ปฏิบัติตามจะพึงได้รับนั้น มีมากลนะักครั้นกล่าวดังนั้นแล้วพระสังฆปริณายกได้สั่งให้นําเอาทูบเทียน ม, มาจุดบูชาที่ตรงหน้าสร่งนั้นและสั่งให้สิทธิของท่านทุกคนทําความเคารพแล้วจําเอาไปท่องบนเพื่อให้เขาสามารถพิจารณาเห็นจิตเดิมแท้เมื่อสิทธิเหล่านั้นท่องได้แล้วทุกคนพากันออกอุทานว่าสาธุ ครั้นเวลาเที่ยงคืนพระสังฆปริณายกได้ให้คนไปตามตัวสินเซามาที่หอแล้วถามว่าเขาเป็นผู้เขียนสโลกนั้นใช่หรือไม่สินเซาได้ตอบว่าใช่ขอรับกระผมไม่ได้เห่อเหมิมเพื่อตําแหน่งสังฆปริณายกเพียงแต่หวังว่าคุณพ่อจะกรุณาบอกให้ทราบว่าสโลกนั้นแสดงว่ามีแววแห่งปัญญาอยู่ในนั้นบ้างสักเล็กน้อยหรือหาไม่ พระสังฆปริยายกได้ตอบว่าสโลของเจ้าแสดงว่าเจ้ายังไม่ได้รู้แจ้งจิตเดิมแท้เจ้ามาถึงประตูแห่งการบรรลุธรรมแล้วเป็นนานแต่เจ้ายังไม่ได้ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปการแสวงหาความตัสรู้อันสูงสุดด้วยความเข้าใจอย่างของเจ้าที่มีอยู่ในขณะนี้นั้นยากที่จะสําเร็จได้ การที่ใครจะบรรลุอนุตตรสัมโพธิได้นั้นผู้นั้นจะต้องสามารถรู้แจ้งด้วยใจเองในธรรมชาติแท้ของตัวเองหรือที่เรียกว่าจิตเดิมแท้อันเป็นสิ่งที่ใครสร้างขึ้นไม่ได้หรือทำลายให้สูญหายไปก็ไม่ได้ชั่วเวลาขณะจิตเดียวเท่านั้นผู้นั้นสามารถเห็นแจ้งจิตเดิมแท้ได้โดยตลอดการทั้งกง ต่อจากนั้นทุกๆสิ่งก็จะเป็นอิสระจากการถูกกักขังกล่าวคือจะเป็นวิมุตต์หลุดพ้นไปตัทตาคือความเป็นแต่ที่เป็นอยู่เช่นนั้นไม่อาจเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ซึ่งเป็นชื่อของจิตเดิมแท้อีกชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นครั้งเดียวหรือชั่วขณะจิตเดียวผู้นั้นก็จะเป็นอิสระจากความหลงไปตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นเช่นไรใจของผู้นั้นก็จะยังคงอยู่ในสภาพแห่งความเป็นเช่นนั้นสถานะเช่นนี้ที่จิตได้ลุถึงนั่นแหละคือตัวสัธจธรรมแท้ถ้าเจ้าสามารถเห็นสิ่งทั้งปวงโดยลักษณะการเช่นนี้เจ้าจะได้รู้แจ้งจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นการตัสรู้อันสูงสุดเจ้ากลับไปเสียก่อนดีกว่า ไปคิดมันอีกสักสองวันแล้วเขียนสโลกอันใหม่มาให้ฉันถ้าสโลกของเจ้าแสดงว่าเจ้าเข้าพ้นประตูไปแล้วฉันจะมอบภากาสะวะพัส์และธรรมะแห่งนิกายทยานะให้แก่เจ้าสืบทอดไปสินเศรากราบพระสังฆปรินายกแล้วหลีกไปเวลาล่วงเลยมาหลายวันเขาก็ยังจนปัญญา ในการที่จะเขียนสโลกันใหม่มันทำให้ใจของเขาหกหัวกลับไม่รู้บนล่างเหมือนคนถูกผีอ่ำเป็นไข้ทั้งที่ตัวเย็นชืดเหมือนกับที่คนกำลังฝันร้ายจะนั่งหรือเดินอย่างไรก็ไม่พบอิริยาบถ ท, ที่ผาสุกเวลาล่วงมาอีกสองวันบังเอิญเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาทางห้องที่อาตมา ทำข้าวอยู่เด็กคนนั้นได้เดินท่องสโลของสินเสาที่จำมาจากฝาผนังอย่างดังๆพอได้ยินสโลนั้นอาตมาก็ทราบได้ทันทีว่าผู้แต่งสโลนั้นยังไม่ใช่ผู้เห็นแจ้งในจิตเดิมแท้แม้ว่าในเวลานั้นอาตมายังไม่ได้รับคำอธิบายอะไรเกี่ยวกับข้อความในสโลนั้นอาตมาก็ยังเข้าใจในความหมายทั่วๆไปของมันได้เป็นอย่างดี อยู่เองแล้วอาตามาถามเด็กนั้นว่าสโสรกอะไรกันเนี่ยเด็กเขาตอบว่าท่านคนป่าคนเยิงท่านไม่ทราบเรื่องสโสรกนี้ดอกหรือพระสังฆปรินายกได้ประกาศแก่ศิษย์ทั้งหลายว่าปัญหาเรื่องการเกิดใหม่ไม่รู้สิ้นสุดนั้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของคนทั้งหลายและ ว, ว่าผู้ใดปรารถนาจะได้รับมอบผากาสาวพัดและธรรมะ แห่งนิกายเซนจะต้องเขียนสโลกให้ท่านสโลกหนึ่งแล้วว่าผู้ที่รู้แจ้งจิตเดิมแท้จะได้รับมอบของเหล่านั้นและจะถูกแต่งตั้งเป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่หกท่านสินเซวสิทธ้อวุโสได้เขียนสโลกเรื่องไม่มีรูปสโลกนี้ไว้ที่ผนังทางเดินด้านทิศใต้และพระสังฆปรินายกสั่งให้พวกเราท่องบนสโลกอันนี้ไว้ และท่านยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าผู้ใดเก็บเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติผู้นั้นจะได้รับอนิสงส์เป็นนันมากจะพ้นจากทุกแห่งการเกิดในอบายภูมิอาตมาได้บอกแกเด็กหนุ่มคนนั้นว่าอาตมาก็ปรารถนาที่จะท่องบนสโสรปนั้นเหมือนกันเผื่อว่าในพบเบื้องหน้าจะได้พบคำสอนเช่นนั้นอีกอาตมาได้บอกเขาด้วยว่าแม้อาตมาจะได้ตำข้าวอยู่ที่นี่ ตั้งแปดเดือนมาแล้วก็ไม่เคยเดินผ่านไปแถวช่องทางเดินเหล่านั้นเลยเขาจะต้องนำอาตมาไปถึงที่ที่สโสรกนั้นเขียนไว้บนผนังเพื่อให้อาตมาได้มีโอกาสทำการบูชาสโสรกนั้นด้วยตนเองเด็กหนุ่มนั้นนำอาตมาไปยังที่นั่นอาตมาขอร้องให้เขาช่วยอ่านให้ฟังเพราะอาตมาไม่รู้หนังสือ เจ้าหน้าที่เสมียนพนักงานแห่งตำบลกองเจ้าคนหนึ่งชื่อจางตัดยุงเผอิญมาอยู่ที่นั้นด้วยได้ช่วยอ่านให้ฟังเมื่อเขาอ่านจบอาตมาได้บอกแกเขาว่าอาตมาก็ได้แต่งสโลกไว้สโลกหนึ่งเหมือนกันและขอให้เขาช่วยเขียนให้อาตมาด้วยเขาออกอุทานว่าพี่ลึกกึกือเหลือเกินที่ท่านก็มาแต่งสโลกกับเขาได้ด้วยอาตมาได้ตอบว่า ถ้าท่านเป็นผู้ที่ส่อแสแวงหาการบรรลุธรรมอันสูงสุดคนหนึ่งกับเขาด้วยแล้วก็ท่านอย่าดูถูกคนเพิ่งเริ่มต้นท่านควรจะรู้ไว้ว่าคนที่ถูกจัดเป็นคนชั้นต่ำก็อาจมีปฏิพานสูงได้เหมือนกันและคนชั้นสูงก็ปรากฏว่ายังขาดสติปัญญาอยู่บ่อยๆถ้าท่านดูถูกคนก็ชื่อว่าท่านทำบาปหนะักเขากล่าวว่าไหนเล่า จงบอกสโลของท่านมาสิฉันจะช่วยเขียนให้ท่านแต่อย่าลืมช่วยฉันนะขอให้ท่านลุกความสำเร็จในธรรมของท่านเถิดสโลของอาตมามีว่าไม่มีต้นโพธิ์ทั้งไม่มีกระจกเลาอันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะลงจับอะไร เมื่อเขาเขียนสโลกนี้ลงที่ผนังแล้วทั้งพวกศิษย์และคนนอกทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างพากันประหลาดใจอย่างยิ่งจิตใจเต็มตื้นไปด้วยความชื่นชมเขาพากันกล่าวแก่กันและกันว่าน่าประหลาดเหลือเกินไม่ต้องสงสัยเลยเราไม่ควรตัดสินใครว่าเป็นอย่างไรด้วยการเอารูปร่างภายนอกเป็นประมาณมันเป็นไปได้อย่างไรกันหนอย ที่เราพากันใช้สอยโพธิสัตว์ผู้อวตารให้ทำงานหนักให้แก่เรามานานถึงเพียงนี้พระสังฆปรินายกเห็นคนเหล่านั้นพากันเต็มตื้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจท่านจึงเอารองเท้าลบสลกอันที่เป็นของอาตมาออกเสียถ้าไม่ทาดังนั้นพวกคนที่มัริษยาจะพากันทำร้ายอาตมา พระสังฆปรินายกแสดงความรู้สึกบางอย่างออกมาซึ่งทำให้คนเหล่านั้นพอใจที่จะคิดว่าแม้ผู้ที่เขียนสโลกอันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นผู้ที่เห็นแจ้งจิตเดิมแท้เหมือนกันวันรุ่งขึ้นพระสังฆปรินายกได้ลอบมาที่โรงตําข้าวอย่างเงียบๆครั้นเห็นอาตมาตําข้าวอยู่ด้วยสากหินท่านกล่าวแกอ่อาตมาว่า ผู้ค้นหาหนทางต้องยอมเสี่ยงชีวิตของตนเพื่อธรรมะเขาควรทำเช่นนั้นมิใช่หรือแล้วท่านถามอาตมาตอบไปว่าข้าวได้ที่แล้วหรืออาตมาตอบท่านว่าได้ที่นานแล้วยังรอคอยอยู่ก็แต่ตะแกรงสำหรับร่อนเท่านั้นท่านเคาะครกตำข้าวด้วยไม้เท้าสามครั้งแล้วก็ออกเดินไป อาตามาทราบดีว่าการบอกใบเช่นนั้นหมายความว่าอะไรดังนั้นในเวลายามสามแห่งคืนนั้นอาตามาจึงไปที่ห้องท่านท่านใช้จีวรขึ้นขึนขนบงบังนีให้ใครเห็นเราทั้งสองแล้วท่านก็ได้อธิบายข้อความอันลึกซึ้งในวัชรสูตรกิมกังเกงให้แก่อาตามาเมื่อท่านได้อธิบายมาถึงข้อความที่ว่าคนเราควรจะใช้จิตของตน ในวิถีทางที่มันจะเป็นอิสระได้จากเครื่องข้องทั้งหลายทันใดนั้นอาตมาก็ได้บรรลุการตัดสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์และได้เห็นแจ้งชัดว่าที่แท้ทุกๆสิ่งในสากลละโลกนี้ก็คือตัวจิตเดิมแท้นั่นเองมิใช่อื่นไกลอาตมาได้ร้องขึ้นในที่เฉพาะหน้าพระสังฆปรินายกในที่นั้นว่า แม่ใครจะไปคิดว่าจิตเดิมแท้นั้นเป็นของบริสุทธิ์อย่างบริสุทธิ์แท้จริงใครจะไปคิดว่าจิตเดิมแท้นั้นเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจความต้องเป็นอยู่หรือภายใต้ความดับศูนอย่างอิสระแท้จริงใครจะไปคิดว่าจิตเดิมแท้นั้นเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองอย่างสมบูรณ์แท้จริง ใครจะไปคิดว่าจิตเดิมแท้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเปลี่ยนแปลงอย่างนอกเหนือแท้จริงใครจะไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏออกมานี้ไหลเทออกมาจากตัวจิตเดิมแท้เมื่อพระสังฆปริณายกสังเกตเห็นว่าอาตมาได้เห็นแจ้งแล้วในจิตเดิมแท้ท่านได้กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองว่าคืออะไรก็ป่วยการที่ผู้นั้นจะศึกษาพุทธศาสนาตรงกันข้ามถ้าผู้ใดรู้จักจิตใจของตนเองว่าเป็นอะไรและเห็นด้วยปัญญาอย่างซึมทราบว่าธรรมชาติแท้ของตนเองคืออะไรด้วยแล้วผู้นั้นคือวีรมนุษย์นายโรงโลกคือครูของเทวดา และมนุษย์คือพุท ธ, ธะดังนั้นในฐานะที่ความรู้ย่อมไม่เป็นของบุคคลใดแต่ผู้เดียวธรรมะอันนั้นจึงถูกมอบตกทอดมายังอัตมาในเที่ยงคืนคืนนั้นเองผลก็คืออัตมาเป็นทายาทผู้ได้รับมอบทอดช่วงทาสั่งสอนแห่งนิกายฉับพลันพร้อมทั้งจีวรและบาท อันเป็นเครื่องหมายตำแหน่งสังฆปรินายกแห่งนิกายนี้สืบลงมาตั้งแต่สังฆปรินายกองแรกพระสังฆปรินายกได้กล่าวสืบไปว่าบัดนี้ท่านเป็นสังฆปรินายกองที่6ท่านต้องคุ้มครองตัวของท่านให้ดีจงช่วยมนุษย์ให้มากพอที่จะช่วยได้จงทำการเผยแพร่คำสอนและสืบ อ, อายุ ค, คำสอนไว้อย่าให้ขาดตอนลงได้ จงจำโลดโครงอันนี้ของเราไว้สัตว์ที่มีความรู้สึกนึกคิดซึ่งเราหว่านเมล็ดพืชพันธ์แห่งการตัสรู้ลงในเนื้อนาแห่งความเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุผลแล้วจะเก็บเกี่ยวผลถึงพุทธภูมิวัตถุมิใช่สัตว์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งว่างเปล่าจากธรรมชาติแห่งพุทธะ ย่อมไม่หวางและไม่เก็บเกี่ยวเลยแล้วท่านได้กล่าวสื่อไปว่าเมื่อพระสังฆปรินายกนามว่าโพธิธรรมได้มาสู่ประเทศจีนนี้เป็นครั้งแรกชาวจีนส่วนมากไม่ยอมเชื่อในท่านดังนั้นผ้ากาสาวพัดนี้จึงเกิดเป็นธรรมเนียมที่จะต้องมอบต่อๆกันไปจากพระสังฆปรินายกองค์หนึ่งไปยังอีกองค์หนึ่ง ในฐานะเป็นเครื่องหมายสําหรับธรรมะนั้นเล่าก็มอบทอดช่วงกันไปตัวต่อตัวโดยทางใจคือจิตถึงจิตไม่เกี่ยวกับคำพีและผู้รับมอบนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นธรรมะนั้นแล้วอย่างแจ่มแจ้งด้วยความพยายามของตนเองโดยเฉพาะนับตั้งแต่อดีตการันกำหนดนับไม่ได้เป็นต้นมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันสาหรับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ก็จะมอบหัวใจคำสอนของพระองค์ให้แก่ผู้จะสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปแม้สำหรับพระสังฆปรินายกหัวหน้าแห่งนิกายองค์หนึ่งองค์หนึ่งก็เหมือนกันย่อมจะมอบคำสอนอันเล่นลับแห่งนิกายนั้นโดยตัวต่อตั ว, ตวให้แก่พระสังฆปรินายกที่รองลำดับลงไปโดยความรู้ทางใจไม่เกี่ยวกับตาราแต่สาหรับผ้ากาสวพัดและบาดนี้ อาจเป็นต้นเหตุแห่งการยื้อแย่งเถียงสิทธทิ์กันขึ้นก็ได้ท่านเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับมอบในเวลานี้ท่านขนมอบมันไปเสียแก่ผู้ที่จะรับสืบต่อจากท่านได้ชีวิตของท่านกำลังล่อแหลมต่ออันตรายจงเดินทางไปเสียจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้มิฉนั้นจะมีคนทำอันตรายท่าน อาตามาถามท่านว่าควรจะไปทางไหนท่านตอบว่าจงหยุดที่ตำบลเวยแล้วซ่อนอยู่ผู้เดียวที่ตำบลวุยเมื่อได้รับม่อผ้ากาสาวพั์และบาทในตอนเที่ยงคืนเสร็จแล้วอาตามาได้กล่าวกับท่านว่าเนื่องจากตัวเป็นชาวใต้จะรู้จักเดินทางไปตามภูเขาได้อย่างไรและไม่สามารถเดินไป เพื่อลงเรือที่ปากแม่น้ําได้ท่านตอบว่าอย่าร้อนใจเราจะไปด้วยท่านได้มาเป็นเพื่อนอาตมาจนถึงกิวเกียงหน้าที่นั้นท่านได้บอกให้อาตมาลงเรือลําหนึ่งท่านแจวเรือนั้นด้วยตนเองอาตมาจึงขอร้องให้ท่านนั่งลงเสียและอาตมาจะแจวเองท่านตอบว่ามันเป็นสิท์ ฝ่ายเราผู้เดียวเท่านั้นในการที่จะพาท่านข้ามไปในที่นี้หมายถึงทะเลแห่งการเกิดตายซึ่งคนเราจะต้องข้ามก่อนแต่จะลุถึงฝั่งคือนิพพานอาตมาจึงตอบท่านว่าเมื่อกระผมยังอยู่ภายใต้โมหะก็เป็นหน้าที่ที่คุณพ่อจะต้องพากระผมข้ามไปแต่เมื่อได้บรรลุธรรมเป็นการตรัสรู้แล้ว กระผมก็ควรจะข้ามมันด้วยตนเองคำว่าข้ามทั้งสองแห่งนั้นแม้จะเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันโดยที่กระผมเกิดที่บ้านนอกชายแดนแม้การพูดจาของกระผมยังแปลกไม่ถูกต้องในการออกเสียงก็ตามแต่กระผมก็ได้รับเกียรติจากคุณพ่อในการที่ได้รับมอบธรรมะมาอันนั้นจากคุณพ่อฉะนั้นก็แปลว่ากระผมได้บรรลุธรรมแล้ว มันควรจะเป็นสิทธิ์ของกระผมในการที่จะพาตัวเองข้ามทะเลแห่งความเกิดตายไปได้ด้วยการที่ตนเห็นแจ้งจิตเดิมแท้ของตนเองแล้วถูกแล้วถูกแล้วท่านรับรองแล้วท่านกล่าวต่อไปว่านับจำเดิมแต่นี้เป็นต้นไปเพราะอาศัยท่านเป็นเหตุพุทธศาสนา จะแผ่กว้างขวางไพศาลนับตั้งแต่จากกันวันนี้แล้วอีกสามปีเราก็จะลาจากโลกนี้ไปท่านจงเริ่มต้นการจาริกของท่านตั้งแต่บัดนี้เถอดจงลงไปทางใต้ให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้อย่าด่วนทําการเผยแพร่ให้เร็วเกินไปเพราะว่าพุทธธรรมนี้ไม่เป็นของที่เผยแพร่ได้โดยง่ายเลย เมื่อได้กล่าวคำอำลาท่านแล้วอาตมาก็จากท่านเดินทางลงมาทางทิศใต้เป็นเวลาประมาณสองเดือนอาตมาก็มาถึงภูเขาใต้ยุในที่นี้อาตมาได้สังเกตเห็นว่ามีคนหลายร้อยคนติดตามรอยอาตมามาด้วยหวังจะยื้อแย่งผากาสาวพัดและบาตรในจำพวกคนที่ติดตามมานั้นมีภิกษุอยู่ด้วยรูปหนึ่งชื่อไวยมิง เมื่อเป็นคารวาดใช้แท่สกุลว่าเซนและมียศนายทหารเป็นนายคนจัตวามีกริยาหยาบคายโทสะฉุนเฉียวในบรรดาคนที่ติดตามอาตมามานั้นเขาเป็นคนที่สะกดรอยเก่งที่สุดพรันเขามาใกล้จนจะถึงตัวอาตมาอาตมาก็วางผ้ากาสาวพัดกับบาทลงบนก้อนหินประกาศว่าผ้านนี้ไม่เป็นอะไรอื่น นอกจากจะเป็นเครื่องหมายเท่านั้นจะมีประโยชน์อะไรในการที่จะยื้อแย่งออกไปด้วยกำลังแล้วอาตจจมาก็หลบไปซ่อนเสียครั้นภิกษูว่วัยหนึ่มาถึงก้อนหินนั้นเขาพยายามที่จะหยิบมันขึ้นแต่กลับปรากฏว่าเขาไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้แล้วเขาได้ตะโกนว่าพ่อน้องชายพ่อน้องชาย ฉันมาเพื่อหาธรรมะไม่ใช่มาเพื่อเอาผ้าพึงทราบว่าเวลานี้พระสังฆปรินายกองค์ที่หกนี้ยังไม่ได้รับการอุปสมบทจึงถูกเรียกว่าพ่อน้องชายเหมือนที่คารวาสเขาเรียกกันต่อจากนั้นอาตมาก็ออกมาจากที่ซ่อนนั่งลงบนก้อนหินนั้นภิกษุวัยมึงทำความเคารพแล้วกล่าวว่า น้องชายแสดงธรรมแก่ฉันเถิดช่วยทีอาตมาได้กล่าวกับพิสุไวยมิงว่าเมื่อความประสงค์แห่งการมาเป็นความประสงค์เพื่อจะฟังธรรมแล้วก็จงระงับใจไม่ให้คิดถึงสิ่งใดๆแล้วทําใจของท่านให้ว่างเปล่าเมื่อนั้นข้าพเจ้าจึงจะสอนท่านครั้นเขาทําดังนั้น ช่วเวลาพอสมควรแล้วอาตมาได้กล่าวว่าเมื่อท่านรำในใจไม่คิดทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วรู้จักสิ่งที่ไม่ดีและไม่ชั่วแล้วในเวลานั้นเป็นอะไรท่านที่นับถือนั่นคือธรรมชาติแท้ของท่านหน้าตาดั้งเดิมของท่านไม่ใช่หรือพอภิกษุไวมิงได้ฟังดังนั้นท่านก็บรรลุธรรมทันที แต่ท่านได้ถามตอบไปว่านอกจากคำสอนและข้อคิดอันเร้นลับที่พระสังฆปรินายกท่านมอบต่อๆกันลงไปหลายชั่วพระสังฆปรินายกมากันแล้วนั้นยังมีคำสอนเร้นลับอะไรอีกบ้างไหมอาตมาตอบว่าสิ่งที่ข้าพเจ้านำมาสอนให้ท่านได้นั้นไม่ใช่ข้อเร้นลับอะไรคือถ้าท่านมองย้อนเข้าข้างใน ท่านจะเห็นสิ่งซึ่งเร้นลับมีอยู่ในตัวท่านแล้วภิกษุวัยมิงได้กล่าวขึ้นว่าแม้ฉันจะอยู่ที่วงมุยมันนมนานฉันก็ไม่ได้เห็นแจ้งตัวธรรมชาติแท้ของจิตฉันเลยบัดนี้รู้สึกขอบคุณเหลือเกินในการชี้ทางของท่านฉันรู้สิ่งนั้นชัดแจ้งเหมือนที่คนดื่มน้ำเขารู้แจ้งชัดว่าน้าที่เขาดื่มนั้นร้อนหรือเย็นอย่างไร พ่อน้องชายเอย๋ยบัดนี้ท่านเป็นครูของฉันแล้วอัตมาตอบว่าถ้าเป็นดังนั้นจริงแล้วท่านกับข้าพเจ้าก็เป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันของพระสังฆปรินายกองค์ที่ห้าท่านจงคุ้มครองตัวของท่านให้ดีเถิดเมื่อเขาถามอัตมาว่าต่อจากนี้ไปเขาควรจะไปทางไหนอัตมาก็ตอบแกเขาว่าให้เขาหยุดที่ตำบลยน แล้วตั้งพำนักอาศัยที่ตำบลมองเขาก็ทำความเคารพแล้วจากกันไปต่อมาไม่นานอาตมาก็ไปถึงตำบลโซโกายณที่นั้นพวกใจบาปได้ตามจองล้างจองพรานอาตมาอีกทำให้อาตมาต้องหลบซ่อนอยู่ที่สีวุยอันเป็นที่ซึ่งอาตมาได้อาศัยอยู่กับพวกพรานป่าตลอดเวลาถึง15หปีในบางโอกาส อาตมาก็หาทางสั่งสอนเขาตามที่เขาพอจะเข้าใจได้บ้างเขาเคยใช้อาตมาให้นั่งเฝ้าขายดักจับสัตว์ของเขาเมื่ออาตมาเห็นสัตว์มาติดที่ขายนั้นก็ปลดปล่อยให้รอดชีวิตไปในเวลาหุงต้มอาหารอัตมานำผักมาใส่ลงไปในหม้อที่เขากำลังต้มหรือแกงเนื้อบางคนสงสัยก็ถามอาตมา อาตามาตอบให้ฟังว่าแม้เนื้อนั้นแกงรวมกันอยู่กับผักอาตามาก็จะคัดเลือกรับประทานแต่ผักอย่างเดียวเท่านั้นวันหนึ่งอาตามารำพึงในใจตนเองว่าอาตามาไม่ควรจะเก็บตัวซ่อนอยู่เช่นนี้ตลอดไปมันถึงเวลาแล้วที่อาตามาจะทำการประกาศธรรมดังนั้นอาตามาจึงออกจากที่นั้นและได้ไปสู่ อาวาสฟัดชินในนครกวางตุง้งในขณะนั้นภิกษุเย็นสุ่มผู้เป็นธรรมอาจารย์มีชื่อองค์หนึ่งกำลังเทศนาว่า ด, ด้วยมหาปรินิรวานาสุตรอยู่ในอาวาสนั้นมันเป็นการบังเอิญในวันนั้นเมื่อธงริ้วกำลังถูกลมสะบัดพริ้วๆอยู่ในสายลมภิกษุสองรูปเกิดโต้เถียงกันขึ้นว่า สิ่งที่กําลังไหวสั่นเรารวอยู่นั้นได้แก่ลมหรือได้แก่ธงนั้นเล่าเมื่อไม่มีทางที่จะตกลงกันได้อตมาจึงเสนอข้อตัดสินให้ภิกษุสองรูปนั้นว่าไม่ใช่ลมหรือธงทั้งสองอย่างแท้จริงที่หวนไหวจริงๆนั้นได้แก่จิตของภิกษุทั้งสองรูปนั้นเองต่างหากที่ประชุมที่กําลังประชุมกันอยู่ในที่นั้น พากันตื่นตะลึงในถ้อยคําที่อาตมาได้กล่าวไปและภิกษุเยนสูงได้อาราธนาอาตมาให้ขึ้นนั่งบนอาสนะอันสูงแล้วได้ซักถามปัญหาที่เป็นปมยุ่งต่างๆในพระสูตรที่สําคัญสําคัญหลายสูตรเมื่อได้เห็นว่าคําตอบของอาตมาชัดเจนแจ่มแจ้งและมั่นคงและเห็นว่าเป็นคําตอบที่มีอะไรสูงยิ่งไปกว่าความรู้ ที่จะหาได้จากตำราแล้วภิกษุเย็นสูงได้กล่าวแก่ตา ม, มาว่าน้องชายท่านต้องเป็นบุคคลพิเศษเหนือธรรมดาเป็นแน่เราได้ฟังข่าวมานานแล้วว่าบุคคลผู้ได้รับมอภาคาสาวพัฒและธรรมะจากพระสังฆปรินายกองค์ที่ห้านั้นบัดนี้ได้เดินทางลงมาทางทิศใต้แล้วท่านต้องเป็นบุคคลผู้นั้นเสียแน่แล้ว อาตมาได้แสดงกิริยายอมรับโดยอ่อนน้อมทันใดนั้นภิกษุเย็ยนสูงได้ทำความเคารพและขอให้อาตมานำผ้าและบาทซึ่งได้รับมอบออกมาให้ที่ประชุมดูด้วยแล้วได้ถามอาตมาสืบไปว่าเมื่อพระสังฆปรินายกองที่หมอบทำอันเล้นรับสำหรับสังฆปรินายกให้แก่อัตมานั้นอาตมาได้รับคาสั่งสอนอะไรอย่างไรบ้าง อาตมา ต, ตอบว่านอกจากการคุยเขียด้วยเรื่องการเห็นแจ้งชัดในจิตเดิมแท้แล้วท่านไม่ได้ให้คำสอนอะไรอีกเลยท่านไม่ได้เอ่ยถึงแม้แต่เรื่องทยาทนะคือฌานและวิมุตติภิกษุย็นสูงสงสัยจึงถามอาตมาว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอาตมา ต, ตอบว่าเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความหมายว่า มีหนทางขึ้นถึงสองทางก็ทางในพุทธธรรมนี้จะมีถึงสองทางไม่ได้มันมีแต่ทางเดียวเท่านั้นภิกษุเย็ยนสุงถามอาตมาตอบไปว่าที่ว่ามีแต่ทางเดียวนั้นคืออะไรอาตมาตอบว่าก็มหาปรินิราวาสุซึ่งท่านนำออกเทศนาอยู่นั่นเองย่อมชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่า ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะซึ่งมีอยู่ในคนทุกคนนั่นแหละคือทางทางเดียวยกตัวอย่างตอนหนึ่งในสูตรนั้นมีว่าพระเจ้าโกวไกวตักซึ่งเป็นโพธิสัตว์องค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ล่วงประราชิกสี่อย่างก็ดีหรือทาอนันตริยกรรมห้าอย่างก็ดีและพวกอัจนติกะคือมิจฉาทิฐิ นอกศาสนาก็ดีคนเหล่านี้จะได้ชื่อว่าถอนรากเหง้าแห่งความมืดและทำลายธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธะของตนเองเสียแล้วโดยสิ้นเชิงหรือหาไม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่ารากเหง้าของความดีนั้นมีอยู่สองชนิดคือชนิดที่ถาวรตลอดอนันตการกับไม่ถาวร เพราะเหตุที่ธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธานั้นจะเป็นของถาวรตลอดอ น, นันตการก็ไม่ใช่จะว่าไม่ถาวรก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นรากเง่าแห่งความดีของเขาจึงไม่ถูกถอนขึ้นโดยสิ้นเชิงในบัทนี้ก็เป็นที่ปรากฏแล้วว่าพุทธธรรมไม่ได้มีทางสองทางที่ว่าทางฝ่ายดีก็มีทางฝ่ายชั่วก็มีนั้นจริงอยู่ แต่เพราะเหตุที่ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนั้นเป็นของไม่ดีไม่ชัว่วเพราะฉะนั้นพุทธธรรมจึงเป็นที่ปรากฏว่าไม่มีทางถึงสองทางตามความคิดของคนธรรมดาทั่วไปนั้นเข้าใจว่าส่วนย่อยๆของขันและาธาตุทั้งหลายนั้นเป็นของที่แบ่งแยกออกได้เป็นสองอย่างแต่ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าสิ่งเหล่านั้นตามธรรมชาติ ไม่ได้เป็นของคู่เลยพุทธภาวะหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธนั้นไม่ใช่เป็นของคู่ภิกษุเย็นสูงพอใจในคำตอบของอาตมาเป็นอย่างสูงได้ประนมมือทั้งสองขึ้นเป็นการแสดงความเคารพแล้วท่านได้กล่าวแกอ่อาตมาว่าคำอธิบายความในพระสูตรที่ข้าพเจ้าเองอธิบายไปแล้วนั้นไร้มูลละค่าเช่นเดียวกับกองขยะมูลฝอยอันระเกะระกะไปหมด ส่วนคําอธิบายของท่านนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าเปรียบเหมือนทองคําเนื้อบริสุทธิ์ครั้นแล้วท่านได้จัดการให้อัตมาได้รับการประกอบพิธีโปร่งผมและรับการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาและได้ขอร้องให้อัตมารับท่านไว้ในฐานะเป็นสิทธิ์คนหนึ่งด้วยจำเดิมแต่นั้นมา อาตมาก็ได้ทําการเผยแพร่คําสอนแห่งสํานักตุงคือสํานักแห่งพระสังฆปริณายกองค์ที่สและองค์ที่หซึ่งอยู่ในวัดตุงสั้นตลอดมาภายใต้ร่มเงาของต้นโพนับตั้งแต่อาตมาได้รับมอบพระธรรมจากสํานักตุงสั้นแล้วอาตมาต้องตกประกรรมลําบากหลายครั้งหลายหนชีวิตปริมจะออกจากร่างอยู่บ่อย วันที่อาตมาได้มีเกียรติมาพบกับท่านทั้งหลายในที่ประชุมนี้ทั้งนี้อาตมาต้องถือว่าเป็นเพราะเราได้เคยติดต่อสัมพันธ์กันมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ในการก่อนๆรวมทั้งอ น, นิสงส์แห่งบุญกุศลที่เราได้สะสมกันไว้ในการถวายไทยธรรมร่วมกันมาแด่พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ในชาติก่อนๆของเรานั่นเองมิะน้นแล ชาไหนเราจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนแห่งสํานักบรรลุฉัพพลันอันเป็นรากฐานที่ทําให้เราเข้าใจพระธรรมได้แจ่มแจ้งในอนาคตนั้นเล่าคําสอนอันนี้เป็นคําสอนที่ได้มอบสืบทอดต่อๆกันลงมาจากพระสังฆปริณายกองก่อนๆหาใช่เป็นคําสอนที่อาตมาประดิษฐ์คิดขึ้นด้วยตนเองไม่ ผู้ที่ปรารถนาจะสดับพระธรรมนั้นในขั้นแรกควรจะชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เสียก่อนครั้นได้ฟังแล้วก็ควรจะชะล้างความสงสัยของตนให้เกลี้ยงกล่าไปเฉพาะตนะตนันเฉพาะตนโดยทานองที่พระมุนีทั้งหลายในการก่อนได้เคยกระทำกันมาจงทุกคนเถิดครั้นจบพระธรร ม, มเทศนา ผู้ฟังพากันปราปลื้มด้วยปิติทำความเคารพแล้วลาไป